ท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำกายมีเวลาว่าจึงได้มาวัดเพื่อมาเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เพราะเมื่อมาวัดแล้วก็จะได้บูชาสิ่งหรือบุคคลที่สมควรแก่การบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าบูชาจากบูชนียานัง เอตงมังกัลมุตตามังการได้บูชาบุคคลที่สมควนแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนสอง ปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการประพฤติทางกายวาจาใจให้ดีให้งามเรียกว่าปฏิบัติบูชาในบูชาทั้งสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงดังนั้นพวกเราผู้ที่มีความเลื่อมใสมีความศรัทธา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์รวมไปถึงพ่อแม่ของเราที่เรารักเราเคารพเราอยากจะบูชาท่านก็ขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาคือตั้งตนให้อยู่ในความดีทั้งหลายละเว้นจากการประพฤติบาปกรรมทั้งหลายแล้วพยายามชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดคือ ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดเพราะนี่แหละคือมงคลที่สุดเป็นมงคลที่สูงสุดแก่ชีวิตมงคลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน มงคลขั้นแรกเรียกว่าสโสดาบันมงคลขั้นที่สองเรียกว่าสกิทาคามีมงคลขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและมงคลขั้นที่สเรียกว่าอาราหารันนี่คือสภาพของจิตใจที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามความปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ คือให้ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอให้รักษาศีลอย่างเขร่งคัดให้บำเพ็ญจิตภาวนาจเจริญสมาธิและปัญญาเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา mm hmm. เมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความลุ่มหลงอันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ อันเป็นเหตุที่พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายจบไม่รู้จักจบจักสิน้นเมื่อเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วมงคลทั้งสี่ขั้นก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับมงคลขั้นแรกเรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันอา น, นิสงส์ของพระโสดาบันมีอะไรบ้างคือท่านจะไม่ มีภพชาติเหลือเกินกว่าเจ็ดชาติคือจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่เกินเจ็ดชาติและในเจ็ดชาตินี้ก็จะไม่ตกไปในอบายคืออบายนี้จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ได้บรรลุถึงมงคลขั้นพระโสดาบันคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเรือนาชานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกอีกต่อไป จะเกิดมาก็จะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเท่านั้นภายในเจ็ดชาติก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาในที่สุดถ้าได้ปฏิบัติต่อเนื่องไปอีกก็จะบรรลุถึงมงคลขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิยาคามีเมื่อได้ถึงขั้นที่สองนี้แล้วพบชาติที่เคยเหลือเจ็ดชาติก็จะลดเหลือเพียงชาติเดียวคือเหลือเอกชาติเดียวเท่านั้น ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าถ้าปฏิบัติยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปอีกก็จะบรรลุถึงมงคลขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีอนาคามีนี้หมายถึงผู้ที่ไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์ในโลกของเทวดาผู้เสษการแต่จะไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นพุทมโลกที่มีชื่อว่าสุทาวา แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในลําดับต่อไปถ้ายังปฏิบัติต่อก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้คือถ้าเราหมั่นปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่แล้วถ้าการปฏิบัติของเรามีความสามารถที่จะทําให้เรา บรรลุได้เราก็สามารถบรรลุมงคลทั้งสี่ขั้นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าต่อไปถึงจะบรรลุแต่ถ้าเกิดปฏิบัติไ ป, แ ล, ไปแล้วเกิดหมดบุญเสียก่อนเกิดถ้าได้เป็นพระสวัสดาบาลแล้วเกิดหมดบุญเสียก่อนก็ยังมีอีกเชาติที่จะต้องไปเกิดแล้วก็จะต้องกลัมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาระเพง ทานศีลภาวนาต่อไปอีกเช่นเดียวกับพระสกิดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวถ้าสมมุติได้บรรลุปเป็นพระโสดพระสกิรดาคามีในชาตินี้แล้วยังไม่สามารถบรรลุมงคลที่สูงไปกว่านี้ได้เกิดตายไปเสียก่อนก็จะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็จะมีบุญบารมีที่จะคอยผลักดัน ให้เข้าวัดให้ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในที่สุดนี่คือพระ ส, ส ก, กิดาคามีส่วนพระ อ, อนาคามีถ้าเกิดมีอะไรที่จะต้องถึงแก่ชีวิตไปก่อนที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านตายไปแล้วท่านก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นชั้นพรมโลกที่มีชื่อว่า ว่าจะไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่เกิดเป็นเทพผู้เสกกามแต่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติธรรมในสวรรค์ชั้นนั้นจนได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ในลาดับต่อไปส่วนผู้ที่มีบุญมีวาสนาที่ยังสามารถมีชีวิตอยู่และสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอหรหันต์ได้ ในชาตินี้ยังที่มีปรากฏขึ้นมาในสมัยพุทธกาลที่มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันในที่สุดนี่คือมองคลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่บูชาบุคคลที่สมควรแก่าการบูชาคือจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันในที่สุด การเป็นผ้าอารหันนี้หมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าจิตใจนั้นสะอาดหมดจดได้รับการชำระอย่างสะอาดคือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เท่ากับไม่มีเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดในภพน้อยภพน้อยใหญ่อีกต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นลงไปก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวเพราะตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีการแก่การเจ็บการตายยังมีความทุกข์อยู่แต่ผู้ที่ไม่ไปเกิดแล้วผู้นั้นจะไม่มีทุกข์อีกต่อไปยังที่ทรงสัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เคย แต่คำว่าไม่เกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหนคำว่าไม่เกิดนี้คือจิตบริสุทธินี้ไม่ไปเป็นเทพเป็นพรหมไม่ไปเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเป็นเดรัจฉานไม่ได้ไปเป็นสัตว์นรกเท่านั้นเองแต่จิตท่านก็ยังเป็นจิตอยู่อย่างเดิมเป็นกายทิพย์ที่เรียกว่าอยู่ในขั้นนิพพานขั้นที่สะอาดหมดจดเหมือนกับทองฟ้า ที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีควันนงเหลืออยู่ในท้องฟ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องฟ้านั้นสูญหายไปไหนท้องฟ้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีควันเท่านั้นเองจิตใจของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นแางนั้นจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ต, ตัณหา หนองเหลืออยู่ภายในจิตใจแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านสูญหายไปไหนท่านไม่สูญหายไปไหนเพราะท่านเสวยบรมลัสุขดังที่พระพุทธทส่งส่งตรัสไว้ว่านิ บ, บานังปรมังสุญญานิบบาลนิบานังปามังสุขขังนิพานเป็นที่ว่างอย่างยิ่งที่สูญคือที่ว่างสูญจากกิเลส ศูนจากตันหาทั้งหลายนิพพานเป็นบรมมาสุขคือมีความสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขไหนของภพชัตนไหนจะเทียบเท่ากับความสุขแห่งพระนิพพานเพราะเป็นความสุขที่เป็นไปตลอดอนันตาการไม่มีเสื่อมไม่มีหายไปไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่สุขแล้วเดียวก็หายไป แล้วก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่ถ้าตราบใดเรายูงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อ ย, อยู่ความสุขก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มีแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกขึ้นอยู่กับภพบที่เราอยู่ถ้าเป็นภพที่ดีที่เรียกว่าสุขติก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าเป็นภพที่เรียกว่าอั บ, อ บ, บายหรือทุกตติ ก็จะเป็นทกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเช่นถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเทพเป็นพรหมก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ก็ยังหนีไม่พ้นจากความทุกข์เพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตที่ได้หลุดพ้นไปถึงขั้นพระนิพพานแล้วเป็นจิตที่อยู่เหนือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถเข้าไปในจิตของพระนิพพานได้ จิตของพระอาหารหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่ไม่มีตรายัก์หลงเหลืออยู่แล้วคือไม่มีอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความทุกข์ไม่มีความถือว่าเป็นอัตตาตัวตนหลงเหลืออยู่ในจิตนั้ น, น, นจิตนั้นเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นประมังสุขขังเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง <c oughs> นี่คือ <c oughs> ผลที่จะได้รับ จากการ <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติบูชาเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามการประพฤติปฏิบัติบูชาด้วยกายวาจาใจของเราพยายามน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพ่อระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกับเราอย่างเคร่งครัดเพราะพพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นและคือผู้บูชาเราตถาคตนี่คือการบูชาตถาคตคือพระพุทธเจ้านี้ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนั่นเองเราจึงต้องให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าฟังเทศฟังธรรม เสร็จแล้วก็ไม่สนใจใจที่จะนําไปปฏิบัติยาศักแต่ว่าสมาทานศีลแล้วก็ไม่รักษาสมาทานศีลห้าแล้วตกเย็นก็ไปดื่มสุราอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นการสมาทานศีลอย่างแท้จริงถ้าสมาทานศีลแล้วต้องรักษาให้ได้ถ้าสมาทานอดินาปาณาติปาตาเวรมณี ะละเว้นจากการค่าสัตว์ตชีวิตก็จะต้องละเว้นถึงแม้จะถูกมดกัด ถ, ถูกยุง ก, กัดก็จะไม่ตกมดตกยุงอย่างมากก็จะเขี่ยมันทิ้งไปสลัดมันไปปัดมันไปแต่จะไม่ทําลายชีวิตของเขาถ้าสมาทานอธินาดานาเวรมณีคือละเว้นจากการลักทรัพย์ ก็จะไม่ไปเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตยกเว้นถ้าเขาให้เขาบอกว่าเอาไปเถิดไม่เป็นไรอย่างนี้ถ้ารับไปก็ถือว่าไม่ผิดศีลข้อสองข้อที่ละเว้นจากการรักทรัพย์ถ้าสมาทานอ่อตาตาเมสุมิชาจาราวระมณีละเว้นจากการประพฤติผิดในกรม ก็จะต้องไม่ประพฤติผิดในการไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นภรรยาหรือสามีของเราถ้ายังไม่แต่งงานก็อย่าเพิ่งไปรีดอดนนทนใจไว้ก่อนรอให้โตพอแล้วสมควรแก่เวลาพ่อแม่จะจัดการสู่ขอจัดพิธีแต่งงานแต่งการให้ เมื่อแต่งงานกันเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วจะร่วมหลับนอนกันก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อสาแต่ถ้ายังไม่แต่งงานแต่งกายเป็นโสดอยู่แล้วไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการผิดศีลหรือไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นทั้งทั้งที่ตนเองก็มีสามี มีภรรยาของตนอยู่แล้ว <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการผิดศีลเหมือนกัน <c oughs> ข้อที่สี่ถ้าละเว้นจากการบูสาวาทาเวลาณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดก็จะต้องพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกโดยเด็ดขาดถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าไปพูดนิ่งเฉยเสียไม่ต้องพูดถ้ารู้ว่าถ้าพูดไปแล้ว เป็นการพูดโกหกไม่มีใครเขาจะว่าเรารถ้าเราไม่พูดคนใบ้เขาไม่พูดยังไม่มีใครไปว่าเขาเลยแล้วเราทำไมจะทำเป็นคนใบ้บ้าไม่ได้เลยหรือทำไมเราต้องไปอวดฉลาดอวดพูดแต่พูดเป็นสิ่งพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงยิ่งแยกก่กับคนใบ้เสีอีกคนใบ้เขาอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โกหก แต่เราเป็นคนไม่บา้า <c oughs> แต่กับใช้ปากของเราไปนในทางที่ไม่ดีอย่างนี้สแสดงว่า <c oughs> เราฉลาดหรือเขาโง่กันแน่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนฉลาดต้องรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรถ้าเรากำลังพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงถ้าเรามีสติรู้อยู่แล้วรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็อยากไปพูดเสียก็เท่านั้นเองส่วนเขาอื่นเขาจะไปคิดอย่างไรก็ห้ามใจเขาไม่ได้เขาจะคิดว่าอ๋ อ, อนี่ถ้าไม่พูดก็แสดงว่าได้ทาแล้วใช่ไหมอ่าก็แล้วแต่คุณจะคิดแต่เราไม่ได้พูดว่าเราทำหรือไม่ทำเราอยู่เฉยๆของเราคุณจะคิดยังไงก็ได้แต่คุณจะมาบังคับให้เราพูดในสิ่งที่เราไม่อยากจะพูดไม่ได้ น, นี่นี่แหละคือ การรักษาสี่ข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีละเว้นจากการพูดมดเท็จและข้อที่5ก็คือละเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือสิ่งที่เสพก็ไปแล้วทำให้ไม่มีสติควบคุมกายวาจาใจของตนให้อยู่เป็นปกติก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่าไปเสพถึงแม้ตอนเย็นอาจจะมีงานเลี้ยงที่ต้องไป ก็ไปกินอย่างอื่นก็ได้น้ําหวานเขาก็มีน้ําจืดน้ํากล่าเขาก็มีให้กินเหมือนกันถ้าใครจะมาบังคับให้เรากินก็ยกมือไหว้เขาบอกว่าขอโทษ เ, เรากำำำําลังทําตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทําทําไมคนที่เขานับถือาศาสนาอื่นเช่นเขาไม่กินหมูเราทําไมไม่ไปบังคับให้เขากินหมูทําไมเราเป็นชาวพุทธเราไม่กินเหล้า ทำไมจะต้องให้คนอื่นเข้ามาบังคับให้เรากินเหล้าเราไม่ต้องไปกลัวที่เราจะเสียเพื่อนเพื่อนแบบนี้เสียได้ดีกว่าดีกว่ามีเพื่อนแบบนี้เพราะถ้ามีเพื่อนแบบนี้ก็จะมีแต่พาให้เราไปล่มจมเท่านั้นเองชวนไปกินเหล้าเมายากันเดี๋ยวก็มือนเมาเดี๋ยวก็ไปขับรถคว่างรถชนกันตายอย่างนี้ดีหรือไม่สู้ไม่กินเหล้าไม่ดีกว่ามีสติ สัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์จะทาอะไรจะพูดอะไรก็ไม่พูดไม่กระทำในถิ่นที่ไม่ดีไม่งามคนที่เสพสุรายาเมาไปแล้วจะไม่มีสติควบคุมกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีพอเกิดความคิดอยากจะพูดอะไรออกมาก็พูดออกมาทาั้งๆ ท, ที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพูด พูดไปแล้วทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วดีไม่ดีก็จะทำให้คนอื่นเขาจะต้องพูดกลับว่ากลับมาแล้วก็จะต้องกลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลวิวาททุกตีกันเจ็บตัวกันไปนี่ก็เป็นเพราะว่าไปเสพสารยาเมาแล้วไม่สามารถควบคุมสติควบคุมกายวาจาใจ ให้อยู่เป็นปกติได้นี่คือข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ตั้งอยู่ในความเป็นปกติคือตั้งอยู่ในศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี่คือการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนเราจะดีจะเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพเรื่อมใส mm. ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลนั่นเองคนที่ไม่มีศีลนั้นไม่มีใครอยากจะยกหมือไหว้ไม่มีใครอยากจะกราบไหว้บูชามีแต่อยากจะเดินหนีแต่คนที่มีศีลนั้นแม้จะเป็นลูกของตนเอง พ่อแม่ยังกราบลูกของตนเองได้เช่นเมื่อมาบวชเป็นพระก็ต้องมีศีลอยู่2องสข้อเวลาพ่อแม่กราบนั้นพ่อแม่ไม่ได้กราบผ้าเหลืองหรือไม่ได้กราบพ่อลูกโกนหัวแต่พ่อแม่กราบพ่อลูกมีศีลอยู่ถึง2องร้อยยี่สิข้อต่างหากถ้ามีแต่การโกนหัวห่งท่าเหลืองแต่ทําตัวเป็นเหมือนลิงใครจะกราบลงบ้างอย่างมากก็เดินหนีเท่านั้นเอง ถ้าเห็นว่ากิริยาอาการไม่เหมาะสมกับความเป็นสมนัมณะไม่มีความสํารวมกายวาจาก็ไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้ไม่มีใครอยากจะไปทําบุญด้วยเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องดึงดูดใจนั่นเองความสวยงามของคนนั้นอยู่ที่ความประพฤติดีมีศีลธรรมไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่เราใส่ไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งหน้าตาใส่น้ําหอมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลอกคนตาบอดได้คนที่ไม่รู้จักแยกแยะว่าคนสวยกับคนที่ไม่สวยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดมีปัญญาแล้วจะไปหลอกเขาไม่ได้จะแต่งตัวให้สวยงามขนาดไหนก็ตาม จะใส่น้ำหอมให้หอมขนาดไหนก็ตา่างแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลเช่นพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงช่อโกงผู้อื่นอย่างนี้ไม่มีใครหลอกที่อยากจะคบคาสมาคมด้วยไม่มีใครจะหลงลักว่าเป็นคนสวยเป็นคนงามแต่ถ้ายังไม่รู้จักนิ ส, สัยยังไม่มีความประพฤติก็ต้องรอไปก่อน คนเราเวลาพบกันใหม่ๆนี้เรายังไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าคนที่เรารู้จักนี้เป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีแต่ถ้าเราได้อยู่ร่วมกันแล้วเราจะเริ่มเห็นนิสัยต่างๆของเขาออกมาว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยเป็นคนพวกชอบพูดปดมดเท็ดเป็นคนที่ชอบประพฤติผิดประเวณีหรือไม่ สิ่งเหล่านี้มันจะไม่พ้นสายตาของผู้ที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันไปแล้วก็จะต้องเห็นไม่ช้าก็เร็วจะมาปิดบังกันไม่ได้แต่ถ้าเห็นกันแบบผิวเผินเช่นไปในงานเลี้ยงเลี้ยงแล้วเจอกันทักทายกันอย่างนี้ไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร เพราะเขาจะแสดงบทที่สวยงามออกมาพูดจาหวานคะข า, ขาแต่งตัวสวยงามแต่เรายังไม่รู้หรอกว่าธาตุแท้ของเขาเป็นอย่างไรจนกว่าจะได้อยู่ร่วมกันท่นั้นดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคนที่มาเป็นเป็นคู่ครองของเราเราอย่าเพิ่งรีบร้อนเห็นใครแล้วเห็นหน้าตาเขาแล้วถูก อ, อกถูกใจ อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอยู่กับเขาใช้เวลาทำความรู้จักกันก่อนคือให้รู้ถึงแก่นของเขาอย่าไปรู้แต่เพียงผิวเผินเท่านั้นต้องรู้ศึกษาให้รู้ถึงแก่นของเขาคือให้รู้ถึงนิสัยสันดานของเขาเลยว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือไม่เขาเป็นคนมีสินทั้งห้าข้อนี้หรือไม่ถ้าเขาเป็นคนที่มีสินทั้งห้าข้อ ก็ถือว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่น่าร่วมใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาถ้าจะให้เลือกระหว่างคนที่มีความร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมกับคนที่มีศีลธรรมแต่ไม่ร่ำรวยก็ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมจะดีกว่าจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจแต่ถ้าเลือกคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมสักวันหนึ่งก็อาจจะทิ้งเราไป ไปมีไปมีใหม่ที่ไหนก็ได้เพราะเขามีเงินทองเขาต้องการที่จะหาใหม่เมื่อไหร่เขาก็หาได้ส่วนเรานั้นเขาก็จะถือว่าเป็นเหมือนผ้าที่ริี้ยวผืนหนึ่งจะอยู่ก็อยู่ไปไม่อยู่จะไปเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ศึกษาการที่เราจะมีปัญญาได้เราก็ต้องมีศีล มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับมีศีลเป็นเครื่องรองรับมีทานเป็นเครื่องรองรับอีกทีหนึ่งเราจรึงต้องึกเราจรึงต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือเราต้องทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาใช้เหตุใช้ผลอย่างที่ได้แสดงไว้จะดูอะไรจะต้องการอะไรมา ต้องใช้เหตุใช้ผลถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากจะได้มานี้เป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่เวลาเราไปซื้อของเรายังเลือกกันเลยเช่นผลไม้เรายังเลือกดูเลยว่าผลไม้เป็นผลไม้ที่สดหรือไม่มันเน่าหรือไม่เน่าเราไม่ไปแบบหยิบมาแบบสุม 4, สี่สมห้าชั้นใดคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่ครองของเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความ ระมัดระวังให้ความพิถีพิถันต้องเลือกให้ดีเสียก่อนการที่เราจะเลือกได้เราก็ต้องมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแนละเราจะรู้จักแยกแยะรู้จักว่าคนดีเป็นอย่างไรคนไม่ดีเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเราแยกแยะเป็นเราก็จะได้คนดีมาเป็นคู่ครองของเราเราจะได้คนดีมาเป็นเพื่อนของเราเมื่อเรามีคนดีเป็นเพื่อนเป็นคู่ครอง เราก็จะมีความสุขเพราะคนดีนั้นจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนไม่สร้างความทุกข์ให้กับคู่ครองนั่นเองแต่ถ้าไปเจอคนไม่ดีมาเป็นเพื่อนเป็นคู่ครองเราก็จะมีแต่ความช้ำ อ, อกช้ำใจไปตลอดเวลาเพราะเขาไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเองเขาจะเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่คิดถึงว่า จะไปสร้างความเดือดร้อนใจให้กับผู้อื่นหรือไม่แต่คนที่มีศีลมีธรรมนั้นเขาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าการกระทําของเขาทางกายทางวาจานั้นเมื่อทำไปแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าเป็นความเดือดร้อนเขาก็จะไม่กระทาเช่นไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นนี้เขาก็ไม่ทำ ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่ทำไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นมาก็ไม่ทำไปโกหกหลอกลวงก็ไม่ทำไปเสพสุรายาเมาก็ไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อย่างไรเมื่อเขาไม่สร้างความเดือดร้อนเขาก็เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนที่มีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วย เพราะได้พบค้าสมาคมกับคนแบบนี้แล้วมีความสุขใจมีความปลอดภัยนั่นเองดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายจงด้อมจิตน้อมใจของท่านเอาพระธรรมคําสอนน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคําสอนแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นคนดีเพื่อเราเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตของเราไป ได้ด้วยผ่านราบรื่นดีงามมีแต่ความสุขความเจริญมีสิริมงคลเป็นสิ่งที่จะตามมาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็จะมีชีวิตที่มีความสุขกับเพื่อนฝูงมีชีวิตที่มีความสุขกับคู่ครองมีชีวิตที่มีความสุขกับญาติาพี่น้องแล้ว เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตก็จะยกระดับขึ้นไปสู่ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอาหารหันต์เมื่อถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วจิตก็จะถึงมงคลขั้นสูงสุด